11. อุปชายวัตตะกถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในพระอุปชาสมัยนั้นสัตวิทวิหาริกทั้งหลายไม่ประพฤติ ช, ชอบในพระอุปชา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 สัตว์ที่วิหาริกทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในอุปชาทั้งหลายจริงหรือพิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตาหนิว่าพิกษุทั้งหลายชไหนสัตว์ที่วิหาริกทั้งหลายจึงไม่ปฏิบัติชอบต่ออุปชาทั้งหลายเล่าพิกษุทั้งหลาย การกระทําอย่างนี้มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสมิได้ทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นได้เลยครั้นทรงตําหนิแล้วจึงทรงสแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัด ในอุปชาทั้งหลายแก่สัตว์ที่วิหาริกทั้งหลายโดยที่สัตว์ที่วิหาริกทั้งหลายต้องประพฤติชอบในอุปชาทั้งหลายพิกษุทั้งหลายสัตวิที่วิหาริกพึงประพฤติ ช, ชอบในอุปชาวิธีประพฤติโดยชอบในอุปชานั้นมีดังนี้สัตว์ที่วิหาริกพึงลุก ข, ขึ้นแต่เช้าตรู่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 และอุปชาต้องการจะฉันพึงถวายน้ำแล้วน้อมบินทบาทเข้าไปถวายนําน้ำฉันมาถวายเมื่ออุปชาฉันเสร็จแล้วพึงถวายน้ำรับบาทมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเช็ดให้สะอาดสเสด็จน้ำพึงแดดครู่หนึ่งไม่พึงพึ่งทิ้งไว้ที่แดด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 ถ้าท่านต้องการน้ําอุ่นพึงจัดน้ําอุ่นถวายถ้าอุปชาต้องการจะเข้าเรือนไฟพึงบทจุรนพึงแช่ดินถือตั่งสาหรับเรือนไฟเดินตามหลังอุปชาไปถวายตั่งสาหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางหน้าที่สมควรพึงถวายจุรนและดินถ้าสามารถ พึงเข้าเรือนไฟเมื่อจะเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดภิกษุเ ถ, ถระทั้งหลายไม่พึงกีดกันอาสนะพระนวกะทั้งหลายพึงทำบริกรรมแกอุปชาในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงถือตังสำหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลัง จึงออกจากเรือนไฟพึงทำบริกรรมแก่อุปชาแม้ในน้ำตนสงน้ำเสร็จแล้วพึงขึ้นก่อนเช็ดตัวให้แห้งแล้วผลัดผ้าพึงเช็ดน้ำจากตัวอุปชาถวายผ้านุ่งสังคาติถือตั่งสำหรับเรือนไฟมาก่อนปูอาสนะเตรียมน้ำล้างเท้าตั่งรองเท้า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 สัตทีวิหาริก ष, พึงช่วยบรรเทาหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทาหรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปชาถ้าอุปชาเกิดความเห็นผิดสัตทีวิหาริกพึงให้สละเสียหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยให้สละเสียหรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปชา ถ้าอุปชาต้องอาบัตดหนักควรแก่ปริวาทสัตธิวิหาริกพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้ปริวาสแก่อุปชาถ้าอุปชาควรแก่การชักเข้าหาอาบัตดเดิมสัตธิวิหาริกพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสง์ พึงชักอุปชาเข้าหาอาบัตเดิมถ้าอุปชาควรแก่มานัดสัตธิวิหาริกพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้มานัดแกอุปชาถ้าอุปชาควรแก่อับพานสัตธิวิหาริกพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงพึงอับพานอุปชาถ้าสง์ต้องการจะทำกรรมคือตัชนียกรรมนิยสกรรมปรพาภาชนียกรรมปฏิสารนียกรรมหรืออุเคปนียกรรมแกอุปชาสัตวิทวิหาริกพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงไม่พึงทำกรรมแกอุปชา หรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอุปชาได้ถูกสงลงตัชนียกรรมนิยสกรรมปับพาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุกเขปณียกรรมแล้วสัตถิวิหาริกพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนออุปชาพึงกลับประพฤติชอบพึงหายเย่อหญิง พึงกลับตัวได้สงพึงระงับกรรมนั้นเสียถ้าจีวรของอุปชาจะต้องซักสัตถิวิหาริกพึงซักหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงซักจีวรของอุปชาถ้าจีวรของอุปชาจะต้องตัดเย็บสัตถิวิหาริกพึงตัดเย็บ หรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครใครพึงตัดเย็บจีวรของอุปชาถ้าน้าย้อมของอุปชาจะต้องต้องสัตว์ทวิหาริกพึงต้มหรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครใครพึงต้มน้าย้อมของอุปชา ถาจีวรของอุปชาจะต้องยอมสัตถิวิหาริศพึงยอมหรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงยอมจีวรของอุปชาเมื่อจะยอมจีวรพึงยอมพลิกกลับไปกลับมาดีๆเมื่อหยาดน้ํายอมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงพากันจากไป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 พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตพึงรอจนกว่าอุปชานั้นจะหายภิกษุทั้งหลายนี้คือวัดในอุปชาทั้งหลายสำหรับสัตว์ทิวิหาริกทั้งหลายโดยที่สัตว์ทิวิหาริกทั้งหลายต้องประพฤติ ช, ชอบในอุปชาทั้งหลาย